คุณเมมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสลับจังหวัดสาแก้วนะเมื่อสิบปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของจากมามาเลยครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับเมสวันดีครับผมนะฮะเมตอนนี้เมโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อโทรมาจากจังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับสัญญาณเมดูแข็งๆนิดนึงครับเมอ๋อมันมันอยู่ ออกมาล่อคัมเมืองหน่อยพี่อ่านะฮะยังไงเมย์รบกวนช่วยพี่เสียงดังนิดนึงนะครับผมครับนะฮะเมย์ครับรถตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ยฟังฟังอยู่คนเดียวแลครับนอกบ้านตอนนี้อืมฟังอยู่คนเดียวนะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาว่าถึงเรื่องนี้นะครับชื่อวัดเราจะไม่พูดถึงกันนะครับครับนะฮะเมื่อสิบปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับอ๋อคือตอนนั้นเนี่ยหลังหลังจากที่ผมทําการฝึกทหารใหม่เสร็จนะครับอืมผมได้ ผ ม, ผมรับราชการมาหารในปุ๋ ย, รยครับอืออทำการสุกทหารใหม่เสร็จเนี่ยผมยผมได้ลาเลยกลับไปทําการบวชนะครับอืมก็นัดบวชที่บ้านไว้ก็เข้าไปก็กลับไปเนี่ยก็ไปบวชอืมวันที่เอาเอาเริ่มเข้าที่วัดเลยนะพี่นะอืมอืมครับแใจเย็นฮะตัวเมย์ใจตื่นตืต่นเ<อ>หรครับ จริงด้วยครับงั้นช้าๆใจเย็นนะคือเราไปฝึกทหารเสร็จนะครับแล้วก็ไปไปที่วัดไปทําอะไรที่วัดครับวันวันแรกที่ผมบวชเสร็จผมพลาเรื่องเสร็จเนี่ยก็เข้าไปอยู่ที่วัดออืผมขอบอกลักษณะตัววัดกันนะครับว่าตัววัดเนี่ยจะมีอยู่สองสารานะครับเป็นสาราแรกเนี่ยก็จะจะใหญ่พอสมควรครับสาราที่สองเนี่ยจะจะเป็นสาราที่ว่าไม่ไม่ใหญ่มากจะห่างจากสาราแรกเนี่ยประมาณร้อยหสิเมตร Mm hmm. จะอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นเนื mm hmm. ด้านหลังของสาร้าที่สเนี่ยจะเป็นเนินห่อศพครับ mm hmm. ครับผมอืม mm hmm. ครับแล้วคราวนี้เนี่ยผมเข้าไปอยู่ที่ น, นั่นได้ประมาณวันสองวันเนี่ยอืท mm ี hmm. ่นั่นจะมีหลวงตาเป็นหลวงตาที่ว่ามีอายุมากแล้วนะครับครับ mm hmm. แล้วก็หลวงพี่ที่ว่าจะเป็นพระเขมรรูปหนึ่งอือม mm hmm. ผมนะี่ผมก็สังเกตดูแกว่าจะมีพวกเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กวัยรุ่นมาขอพวกของขังแกนะครับอ mm hmm. แล้วทีนี้แล้วแต่และ ว, วันก็จะมีการพูดจาเสียงดังแบบตามะตา <c oughs> วัยรุ่นเขานะครับ mm hmm. แต่ว่าผมมองว่ามันอยู่ในวัดผมมองว่ามันไม่สมควรครับ <c oughs> ผมไม่เดินไปตัดตัดจิตใจเดินไปบอกเขาว่าให้ให้ช่วยเบาๆหน่อยได้ไหม อืเพราะว่าดวงตาท่านอายุเยอะแล้วครับอืมแล้วเด็กเขาก็เบิ้นรดเหมือนเสียงดังใส่ผม อ, ะอ่ะแล้วคราวนี้เขาก็มองพากันมองหน้าผมเหมือนอเขาเขมนผมครับอืสักพักเด็กวัยรุนเข้ากลับไปครับพอเช้าวันอีกวันนึงตลอดวันที่ผมไปไปไปบอกเด็กพวกเนี้ยลนงพี่เขาเหมือน เ, เหมือนผมตลอดข้ามวันข้ามคืนนะครับผมผมเลยตัดสินใจว่า ผมจะขอย้ายไปอยู่ที่สาราที่สองอมดยบอกหลวงตาว่าหลวงตาผมขอย้ายไปอยู่ที่สาราที่สองได้ไหมครับแกบอกแกบอกว่าจะไปอยู่ทําไมที่นั่นเพราะว่ามันเป็นสาราที่ว่างเปล่าครับแล้วก็สร้างไม่เสร็จโดยคือไม่มีฝ้ามีแค่เป็นหลังคาสูงขึ้นไปเลยครับเขาเลยสร้างไว้เพื่อเก็บพวกเอะพวกเต็นเพื่อจัดงานแล้วก็เป็นพวกก็อี้เหล็กแล้วก็เป็นพวกอของเครื่องวัดอะพี่ครับ พอผมแกเล่าให้ผมฟังผมก็คิดอยู่ว่าผมจะไปอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีห้องหนึ่งที่ว่ า, าไว้เก็บพวกโรงศพอะไรเงี้ยออคราวนี้พอคิสะพานในผมก็ตัดสินใจว่าถ้าเกิดอยู่ที่เนี่ยผมผมต้องเจอแบบต้องเจออะไรอีกไม่รู้พ่อแกเป็นคนที่มียุ่างกนนากเหมือนกันนะพะเขาเมือนรูปเนี้ยอืมผมก็ตัดสินใจว่าผมจะไปอยู่ที่นี่แล้วพะพ้าอาจารย์ก็หยิบกุญแจมาให้ผมผมก็ได้เปิด แล้วก็ย้ายของเข้าไปเสร็จเรียบร้อยพอตอนเย็นตอน เ, อนเย็นเนี่ยตกมาก็อ ย, อยู่ึ้นแรกคืนไม่มีอะไรนะครับครับคืนที่สองเนี่ยคืนที่สองผมผมเจอนะครับในในที่ว่าเวลาที่ว่าทําเพลนเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าผมกลับมาที่วัดผมครับผมเดินผ่านไปพระพขมินดูเนี่ยเขาบอกเขาบอกผมมาหลวงพี่หลวงพี่ระลังตัวให้ดีนะเขาพูดเอขาพูดหนุ่มเนยผมผมผมก็ผมก็งงว่าอะไร เแค่เราไปบอกว่าให้ให้เสียงเบาๆหน่อยถึงท่านแบบขนาดนี้เลยเหรอหนุ่มพี่ให้ระวังตัวเนี่ยนะเขาพูดกับผมอย่างนี้ผมก็ไม่สนใจอะไรแต่ว่าตอนนั้นผมก็เกิดอารมณ์โมโหเหมือนกันนะแต่ว่าเราอยู่ในข้าวของบาเมื่อคิดเราทำ้ะไรมาไม่ได้ไงอือนนี้ตัดสินใจคือเดินออกมาครับก็เข้าไปที่วัดเองจบเย็นมาประมาณสองทุ่มแหละผมก็ไปทําวัดออืทำวันแต่หกโมงเสร็จสอง 7, ทุ่มก็กลับมาที่วัดเองก็จําวันแล้ กำลังเครมครับช่วงสามสีทุ่มผมผมได้ยินเหมือนเสียงคนเอาช้อนเ่ะมา mm hmm. มาเคาะกับโต๊ะเหล็กข้างนอกอะ่ะ mm hmm. มมันนังเต้นเต้เต้นอ่ผมก็หรือว่าหรือว่าเขาให้เด็กเลยรุดมาแกล้งแต่ว่าถ้าจะให้มาแกล้งมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าผมเป็นคนปิดประตูใหญ่เองประตูมันมีประตู mm hmm. ประตูใหญ่ของวัดนะครับ <Okay. S 2> เป็นคนล็อกประตูเองค่อยเข้ามาได้ไงผมเลย เ, าาเยปิดประตูไปดูพอเปิดประตูไปดูผมเข้า เบาอ่อนนะพี่มากมายอ่ะข้างหน้ามันเป็นอะไรอ่ะผมเห็นเป็นแมวดําครับแต่ตัวแมวแต่หน้าเป็นคนเนี่ยเฮยเอาเอาเขาะเอาเท้าเอาเท้าเขาเนี่ยพอกับเหมือนเหมือนกรงลึกเข้าไปโดนกับไอ้เหล็กมันเลยดังเต้งเต้งเบาๆครับเออเออแมวสีดําตัวดําเงี้ยแต่หน้าเป็นคนหน้าเป็นคนครับหรอผมรีบไปิประตูกลับมาแล้วเขามันเข้ามานอนอืม คือคุ้มโปรครับเชา้าตื่นเช้ามาจะบอกลวงตาว่าผมเจออย่างนี้อย่างนี้ลวงตาว่าก็บอกว่านั่นแหละบอกแล้วอย่าไปยุ่งขนาดลวงตาไปพูดเขายังไม่ฟังเลยหรอฮครับแล้วอ๋อเมย์ก่อนครับอยู่คือเจอเหการณนี้คือเจอแมวไปแล้วนะครับอืคราวนี้อยู่มาประมาณอ่ สองสองวันกับสามวั น, นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรผมก็คิดว่าคงเขาค ง, ง, งจะเขาคงจะเตือนเราหรือว่าจะเป็นแค่สามอเวตีแบบเพราะว่าหลางังลางโกติที่ผมอยู่เนี่ยมันมีป่ามันเป็นป่าช้านะผมแต่ว่าผมถ้าจะให้ผมกลับไปอยู่ทีิวัดผมก็ไปอยู่ที่ทวัดน์ใหญ่ผมก็ไม่ไปแล้วอะ่ะอืมผมก็อยู่กัดฟันอยู่ที่นี่เพราะว่าผมมีกําหนดบวชแค่ไม่กี่วันเองอครั้งนี้ อยู่มาประมาณสามวันมันมีงานศพที่ที่แกมาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็จะเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุนะครับครับเขาประมาณสี่โมงเย็นมูลนิธิก็เขาเขาเอาศพไปส่งประมาณสี่โมงเยน็นก็รู้ถึงก็มีพวกชาวบ้านเขาก็มาดูผมแล้วก็หลองตาแล้วก็พระเขมงเขาก็มาดูผมก็ไปดูผมจําผมจําได้แม่นเพราะว่านา้าน้าคนเนี้แกเป็นแกเป็นน้าของเพื่อนของผมอะ่ะ ผมจำได้ เ, าา เ, เขาบอกมีเาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ผมรู้เลยว่าหน้าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นคือสมไม่ได้น่ากลัวนะครับก็เป็นปกติอือคืนที่สองเนี่ยคื้นแรกของศพนะครับคือคือ้นแรกที่ว่าส่วนอภิธรรมศพเนี่ยก็ส่วนอภิธรรมศพตามปกติครับประมาณเสร็จประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก็กลับมาที่กุฏิของตัวเองออือ เราเจอผ้าขมือวนีน่นะเขาเขายืนในผมแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขายืนในผมปกติแต่คราวนี้เนี่ยผมกลับไปถึงบุตีแล้วประมาณบึ้งแล้วประมาณห้าทุมเที่ยงคืนผมได้ยินเสียงคนยืงบนหัวที่นอนผมออืมันดังตุบตุบตุบุอยู่บนหัวผมผมคือตอนนั้นผมโมโหแล้วคือคืออยู่บางกระชิดก็บางกระชิดคือไม่สนใจแล้วตอนนั้นออืก็ก็เลยเดินไปเปิดประตูแล้วก็ไปเปิดประตูใหญ่แว่า อยากเข้ามาก็ผมก็เลยพูดว่าอยากเข้ามาก็เข้ามาเลยอืมคือไม่สนใจแล้วอยากเข้ามาก็เข้ามาอยากเจอเหมือนกันอะไรผมก็พูดไปอย่างเงี้ยนะครับครับถ้าพักนึ่งเนี่ยผมกําลังกำลังนอนแต่ว่านอนคือนอนไม่หลับนะพี่เหมือนที่ผมบอกว่าสารานี้มันต้นมีซ่านะครับออืหลังจากที่ผมเจอแมวในคืนนั้นผมก็เปิดไฟนอนเปิดไฟด้านด้า น, ด, านด้านนอกแต่ด้านในในี่คือปิด มีไฟอื ม, อมแล้วข้างห้องผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีอยู่ห้องนึงที่ว่าเป็นห้องที่ไว้เก็บพวกโลงศพพวกเก็บพวกตั้งรูปอย่างเงี้ยนะครับ ม, มันมีไฟสลัวสลัวมันมีหน้าผู้ชายโผล่ขึ้นมาพี่หน้าผู้ชายชโผล่ขึ้นมาจากตรงตรงผนังที่ว่าสั่งบ้านเก็บโลงศพอะโผล่ขึ้นมาแล้วก็อย่างพี่ออืพี่ ผมคิดว่าเขาไม่ไม่ใช่คนผมผมผมท็อกเลยอน mm hmm. ตัดตัดสินใจคือคุมโปงหลับคือทำทายังไงก็ได้ให้ตัวเองหลับครับ <c oughs> ไม่รู้หลับไปตอนไหนตื่นเช้ามานี่คืนที่คืนที่สามนะครับของ mm hmm. ของของศพนะครับก็พอพอตื่นเช้ามาผมก็ไป จะบอกผ่าจารย์ผ่ า, าจารยนก็ว่าคงไม่มีอะไรหรอกเพราอตอนเบียนทําส่วนที่พี่ทำศตามปกติครับครับส่วนที่ทำศพกก็เสร็จไปประมาณเวลาเดิมนะครับออืคราวนี้เนี่ยตอนนี้ผมจะกลับคือตามบ้านนอกเนี่ยเขาจะมีการละเล่นคือเล่นพวกไพ่พวกไฮไโลงเงี้ยนะครับออืมผมก็เดินไปไปบอกเขาว่าเ อ, อ ไปบอกตามตามกฎหมายไม่รู้ว่ามันควรหรือเปล่านะจะบอกตามกฎหมายว่าจะจะพูดตามคือพวกที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะเขาจะรู้จากผมครับเพราะว่าผมเป็นลูกหลานเขาอะครับไปบอกว่าถ้าเกินเล่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวมมา จ, <ะ>จ้าใช่ครับเขาก็แบบโอ้ยลงุลงพี่พระก็อยู่ส่วนภัยอืมอืมเขาก็กผมเลยมองไปตรงโรงครัวมันมีผาข้าวอยู่ฐานหนึ่งซึ่งมันเป็นผ้าข้าวที่ว่าจุดเอาเอ า, เอาทูบปากแล้วแล้วแต่ไม่ได้จุดเนี่ยนะ ผมเลยถามเขาว่าเอาแล้วล้วพาข้าวนั้นจะเอาจะเอาไปไหนเขาบอกว่าจะเอาไปให้ศพอ๋อนี่มันสี่ทุ่มจะห้าทุมแล้วทาไมถึงไม่เอาไปเปลี่ยนทัศนีมดไม่ขึ้นหมดแล้วเหรออันเกา่าออืเขาบอกว่าเดินเล่นเสร็จเดินถึงจะเอาไปจะเอาไปให้ออืผมเลยก็ดนดูเขาสักพักหนึ่งเขาก็ไม่สนใจนะพี่เขาไม่สนใจพระไม่สนใจเจ้าเลยคือเขาจะเล่นอย่างเดียวอะ่ะคนเลยตัดสินใจยกย ก, ยกยกยกพาข้าวเนี่ยไปก็ไปเอายก ยกไปเสร็จก็ยกอันเก่าลงมันจะเป็นกี่กลมๆครับพี่ไม่สูงมากสูงประมาณครึ่งกลางครึ่งกลางของโลงศพอ่ะครับผ้บาเข้าเนี่ยเขาจะเอาตั้งไว้บนหัวของศพนะผมไปยกอันเก่าลงแล้วก็ขณะที่จะยกอันใหม่ขึ้นเนี่ยหูหูฝั่งขวาผมเนี่ยมันจะมันจะจิบกับฝาฝาอประตูประตูของโลงศพอะครับด้านหัวของเขาเนะ่ผมไม่ยินเสียงผมเพาะปั๊บก็ก็กก ผ ม, มไม่ทันได้พูดเลยเขานั่นมีเสียงคนพูดกลับมาว่าหลงที่ผมไปหาหลงที่ทำไมหลวงที่ไม่ไม่ไม่ขานรับผมอ่ะอืมหรอครับโออคือไปหาก็คือจะบอกนะว่าชายคนนั้นที่ชองอกหน้าโพมาจะตรงนั้นน่ะใช่ครับก็หรอเออจะมันตอนนั้นมันสนุกผมมองหน้าแกไม่ชัดออแต่ผมดูเป็นผิขาวครับครับพอผมวันที่ผมเอากับข้าวไปให้แกผมอก็กก๊ อ, อ๊ ผมกังจะพูดว่านะนะผมโยงนะเอาอเอาข้าวมาให้อืมมันมีเสียงคนพูดสวนกลับมาเหมือนเอาปากาที่เคยเอาปากพูดใส่กระจกแบบมันแบบตอนเนาะมันแบบไอ้ลุงพี่ลุงพี่ทําไมผมไปหาลุงพี่ทําไมลุงพี่ไม่ขานรับผมอะ่ะเขาพูดใส่ใส่ผมอย่างเงี้ยผมโอ้ีวอนผมนีบผมสลัดทิ้งผมวิ่งหาลงตายฮวิ่งกอดขาลงตาเลยออืแกก็ คือผมพยายามรวบรวมสตินะนานนานพอสมควรเขาก็พวกที่เขาเล่นไฮโลเขาก็มาหาผมพ่อบอกว่าเอา่อเขาก็เจอกันเพราะดิแมทเป็นสาเหตุที่เขาไม่ยกไปอืมก็พูดง่คือทุกคนเจอคนนี้หมดแล้วนะฮะเอะอเออเขาเขาแล้วผมเลยถามถามว่าแล้วแล้วทําไมถึงทําไมถึง ป่อยคือเขาปล่อยให้ทูบที่ว่าปากปากหมดตรงศพเนี่ยดับคาผมอืมผมถามว่าแล้วทําไมถึงไ ม, ไม่ไม่ไม่อยู่เฝ้ากันเขาบอกว่าคื้นอดนที่เขาเฝ้ากันเนี่ยคือเขาเผลอเขาเล่ น, นกันเดึนเพลนอือแล้วศบแล้วทูบ ก, ก็ดับไปก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบเนี้นะครับอนะฮะเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเขาคงอยากมาบอกอะไรบางอย่างกับเราเนาะนะครับเมย์ณตอนนั้นแล้วเราบวชอยู่ที่วัดนี้ทั้งหมดกี่วันครับเมย์ ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณห้าหกวันแต่กําหนดผมคือสิบวันผมเลยย้ายไปอยู่อีกวัดหนึ่งครอ๋อพอย้ายวัดไป<ด><ห>นี่เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกไหมครับไม่ไม่เจอครับไม่เจออะไร<ม>เลยเท่ากับว่าก็มีประมาณนักสองสาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะนะฮะเรื่องราวของพระนะฮะน ะ, ะนะที่ใช้คำว่าเป็นลูกวัดเหมือนกันที่เหมือนกับเราประมาณว่าเราแค่พูดอะไรบางอย่าง เขากลับมองว่าสิ่งที่เราพูดไปมันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งที่เหมือนกับไปทําให้เขาไม่พอใจก็เลยเหมือนกับส่งอะไรบางอย่างมามามาให้เราเห็นเป็นการตักเตือนเป็นการบอกกล่าว<ช>นะฮะเราก็เจอหน้าของผู้ชายที่โผล่มาตรงใกล้ๆกับกุฏิที่เราพักนะฮะสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือวิญญาณของศพที่ตั้งอยู่ในวัดนั่นเอง เออนะครลัวว่ะนี่ตอนท้ายที่เคาะลงไปเนี่ยแล้วก็มีเสียงมาบอหลวงพี่ผมไปหาหลวงพี่แล้วไปหลวงพี่ไม่ไม่ไม่สนใจผมนี่โอ้เป็นผมพูดตรงนะนะฮะจีวรบินเหมือนกันแล้วครับนะฮะพูดตรงตเลยโอเคนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับเมย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับขอมันอาจจะสั้นไปแล้วที่นะแต่ว่ากำลังดีครับไม่ไม่ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปครับเรื่องราวกําลังดีกําลังกลมกลอมเลยครับนละนี่คือเหตุการณ์ประมาณนึงนะเมนะ นะฮะแล้วโดยส่วนตัวพี่ถามก่อนทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งแล้วกันะฮะนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนบวชแล้วยังมีเรื่องราวเหตุการณ์อื่นอีกบ้างไหมครับมันก็มีแต่ว่าจะเกิดกับภรรยาด้วยครับไม่ได้เกิดส่วนตัวครับได้ไว้โอกาสหน้านะครั้งนี้เหมือนกับเราประเดิมหัวคละไว้โอกาสหน้านะครับเรากลับมาล่าประสบการณ์สยองขวัญกันอีกแลเมนะครับผมได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ